เรื่องพระชาวพคี147สมัยนั้นภิกษุผู้เป็นเทราทั้งหลายผู้ได้รับแต่งตั้งแล้วสั่งสอนพวกภิกษุณียังได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและขิลานาปัจจัยเพศัตวบริหารอยู่เหมือนเดิมครั้งนั้นพวกภิกษุชาว พ, พักีได้มีการปรึกษากันดังนี้ว่าท่านทั้งหลายบัดนี้ภิกษุผู้เป็นเทราทั้งหลายผู้ได้รับแต่งตั้งแล้วสั่งสอนพวกภิกษุณียังได้จีวร บินธบัตเศนาสนะและคีฬานาปัจจัยพิเพศษบริหารอยู่เหมือนเดิมท่านทั้งหลายมาเถิดแม้พวกเราก็จะไปนอกสีมาแต่งตั้งกันและกันให้เป็นผู้สั่งสอนภิกษุณีแล้วสั่งสอนพวกภิกษุณีบ้างครั้นแล้วพวกภิกษุชาพบัคีจึงได้พากันไปนอกสีมาได้แต่งตั้งกันและกันให้เป็นผู้สังสส่งสอนภิกษุณีแล้วเข้าไปหาภิกษุณีทั้งหลายได้กล่าวดังนี้ว่าน้องหญิงทั้งหลาย พวกอาตมาได้รับแต่งตั้งแล้วพวกเธอจงเข้าไปหาพวกอาตมาบ้างพวกอาตมาจาักสั่งสอนให้บ้างต่อมาพวกพิษุนีเหล่านั้นได้พากันเข้าไปหาพวกพิสุทธ์ชาวบัคคีถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้ไหว้พวกพิสุทชาวบัคคีแล้วนั่งหน้าที่สมควรทีนั้นพวกพิสุทธ์ชาวบัคคีได้แสดงธรรมีกระถาเพียงเล็กน้อยแก่พวกพิกษุณีแล้วให้วันเวลาผ่านไปด้วยการสนทนาเกี่ยวกับเิรัจันกรถา แล้วส่งกลับด้วยกล่าวว่าพวกเธอกลับไปเถิดน้องหญิงทั้งหลายต่อมาพวกภิกษุณีเหล่านั้นได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาสศพระผู้มีพระภาคแล้วได้ยืนหน้าที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพวกภิกษุณีผู้ยืนอยู่หน้าที่สมควรเหล่านั้นดังนี้ว่าการสั่งสอนพวกภิกษุณีสมริดผลดีหรือพวกภิกษุณีกลาบทูลว่า การสั่งสอนจะสำรฤทธ์ผลได้แต่ที่ไหนพระพุทธเจ้าข้าพระคุณเจ้าชัพพคีสแสดงธรรมีกถาเพียงเล็กน้อยแล้วให้วันเวลาผ่านไปด้วยการสนทนาเกี่ยวกับดิรัชันกถาแล้วส่งให้กลับลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้พวกภิกษุณีเหล่านั้นเห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาหารแกล้วกล้าหลอบชลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาภิษุณีเหล่านั้น รพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาจหันแกล้ากล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วจึงลุกจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วทำประทักษิณจากไป